เรื่องเล่าผีหลอนตอนวิญญาณเฮียนผีเด็กแมนชั่นเรื่องราวสยองขวัญเผชิญวิญญาณที่จะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นกับตัวดิฉันเองที่ดิฉันเจอมันจะมาในลักษณะคล้ายกับโดนผีอัมแต่มันน่ากลัวมากๆเหมือนจริงเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับดิฉันตอนเช่าแมนชั่นอยู่กับญาติ แมนชั่นแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาประมาณสิบกว่าปีแล้วบรรยากาศภายในเงียบมากจนทำให้เดินเข้ามาแล้วรู้สึกขนลุกอย่างบอกไม่ถูกมีอยู่วันหนึ่งขณะที่ดิฉันนอนหลับกลางวันอยู่บนเตียงนอนดิฉันก็เห็นเด็กสองคนอายุประมาณสี่ขวบวิ่งไล่กันอย่างสนุกสนานเสียงดังมากจนดิฉันรู้สึกหนวกหูอย่างมาก เลยลุกขึ้นมาต่อว่าให้เด็กสองคนนั้นเงียบๆหน่อยเด็กสองคนนั้นพอได้ยินเสียงดิฉันว่าก็หยุดและหันมามองดิฉันเป็นตาเดียวกันท่าทางของเด็กทั้งสองคนไม่ค่อยจะพอใจดิฉันนักตอนนั้นความรู้สึกของดิฉันมันคล้ายกับครึ่งหลับครึ่งตื่นครึ่งจริงครึ่งไม่จริงจะลุกขึ้นก็ไม่มีแรงแล้วเด็กสองคนนั้น ก็ฉุดรั้งแขนดิฉันให้ลุกออกมาจากเตียงนอนพร้อมกับพูดกับดิฉันว่าเตียงของหนูเตียงของหนูเตียงของหนูแต่ดิฉันก็ไม่ได้สนใจที่จะทาตามที่เด็กทั้งสองนั้นพูดและเสียววิดันทีนั่นเองดิฉันก็ต้องเบิกตาสว่างทันทีเพราะเด็กสองคนนั้นส่งเสียงดุดิฉัน พร้อมกับทาท่าทางใบหน้าขึงขังน่ากลัวในตาทั้งสองคู่ของเด็กสองคนนั้นจากปกติก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงกร่ำเหมือนดวงไฟแล้วก็สยะยิ้มให้อย่างน่ากลัวเสียงเล็กๆของเด็กก็ค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นเสียงทุม้มฟังแล้วขนลุกขนพองแล้วก็พูดขึ้นว่าลุกไปลุกไปลุกไป ตอนนั้นดิฉันกลัวมากแต่ไม่มีเรียวแรงส่งเสียงเรียกใครได้เลยแต่ดิฉันก็ไม่ละความพยายามที่จะส่งเสียงตะโกนเรียกให้คนมาช่วยเด็กสองคนนั้นก็แสดงท่าทางหลอกดิฉันอย่างน่ากลัวดิฉันพยายามทั้งดิน้นทั้งร้องให้คนมาช่วยจนในที่สุดเฮือกสุดท้ายของดิฉันก็ได้ตื่นลุกขึ้นมานั่งจนได้หลังจากผ่านพ้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไปแล้ว คิดว่าตัวเองคงจะโดนผีอ่ำธรรมดาต่อมาดิฉันก็มานอนที่เตียงนี้อีกแล้วก็เจอกับเด็กสองคนท่าทางของเด็กน่ากลัวขึงขังตั้งแต่แรกเห็นท่าทางไม่พอใจอย่างมากที่ดิฉันมานอนที่เตียงอีกเด็กสองคนเดินดิ่งเข้ามาหาดิฉันด้วยใบหน้าที่น่ากลัวได้แต่เสยะยิ้มลูกในตา เลือกถลนจนปลิ้นออกมานอกเบ้าเท่านั้นยังไม่พอเด็กทั้งสองยังช่วยกันกดทับที่ไหล่พร้อมกับแลบลิ้นปลิ้นตาหลอกดิฉันดิฉันกลัวสุดขีดส่งเสียงร้องให้คนช่วยจนเหนื่อยอ่อนไม่มีแรงแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเสียงดิฉันสักคนแต่ดิฉันก็ไม่ได้ละความพยายามที่จะหลุดพ้นจากมิติลี้ลับที่กำลังเผชิญกับผีเด็กทั้งสองให้ได้ ดิฉันเลยตั้งจิตภาวนาพุทโธพุทโธพร้อมกับออกแรงยันตัวเพื่อลุกขึ้นไปนั่งในที่สุดดิฉันก็หลุดออกมาจากอีกมิติหนึ่งจนได้ตั้งแต่นั้นมาดิฉันก็ไม่กล้านอนที่เตียงนี้อีกเลย